เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือดาวสมัยนั้นพวกในพรานฆ่าเสือดาวแล้วกิน่นได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อเสือดาวแล้วอยู่ในป่าเสือดาวไล่ตะครุบภิกษุเพราะได้กลิ่นเนื้อเสือดาวภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ